เรื่องเจตุลโลกบาลโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยขอมนวยพรสิริสวัสดิพ์พิพัฒนมงคลความพาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติจอมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้สวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ ช่วเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปราฐกถาธรรมเป็นปคําัซ้อนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังด้วยความสงบประนับด้วยกายความใจตามสบายๆฟังกันแบบฟรีสไตล์ไม่ต้องปแปรโน้มมือก็ได้นั่งฟังให้สบายๆหรือจะทายังไงฟังก็ได้ขอให้มันเข้าไปในหูแล้วเข้าไปสู่ใจตอนนี้เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ ตั้งใจฟังไว้ก่อนวันนี้เป็นวันพระแต่มาถึงอีกวันหนึ่งวันพระควรจะเป็นวันที่มีความหมายมากที่สุดสําหรับเราผู้เป็นชาวพุทธผู้มีพุทธศาสนาะเป็นเรือนใจทุกศาสนามีวันพระแต่แต่ไหนแต่ไรมาแล้วตั้งแต่ศ า, าสานาเดลทีนี่คนปริพาชกอาเจโรอะไรต่างๆมันจะศาสนาฮินดูคของพวกพามก่อนก่อนโน้น ตัววันนี้ศาสนาใหญ่ใหญ่นโลกเขาก็มีวันสําคัญที่เราเรียกกันว่าวันพระนั้นเรียกว่าวันฮอ day เรย์วันแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองสำหรับวันพระนี้เป็นวันพระเอกวันหนึ่งที่เวียนมาบรรจบครบรอบที่เราทั้งหลายจะต้องมาทําความรู้สึกต่อวันพระนี้กันให้ดีๆสำหรับผู้ที่ฝ่ายทจมถือเสว่าวันพระนี้เป็นวันที่เราจะขจัดขัดเกลาทรัพย์ฟองจิตใจของเราให้มันสะอาดสว่างสงบ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 เกิดอาการยับยั้งชั่งใจไม่อยู่เกิดปริติเกิดความพอพอกพอใจจนโลดผนชนิสว่าอัปลิฟทิ้งจอยก็ยังบอกว่าแหมาชื่นใจจังเลยโกใจจังเลยอะไรต่า ง, งๆทั้งๆที่มองเห็นควรจะบอกว่าถูกตาโอ้ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไพเราะหรือไม่ไพเราะถ้าเกิดสนองสนานชอบใจพอใจขึ้นมาก็บอกว่าแหมาชอบใจจังเลยทําไมไม่บอกว่าชอบโอ้ทั้งๆที่ได้ยินทางโอ้นั่น ลักษณะเช่นนี้แหละเป็นลักษณะที่เราพอจะรู้ได้ว่าเรื่องของจิตใจนั้นเป็นเรื่องที่จะ ค, ควรที่จะเอาใจใส่อย่างยิ่งไม่ว่าจะเห็นทางตาแต่ยินทางหูได้กลิ่นทางจมกูกได้สมัมผัสรสชาติฝาดขมเผ็ดเค็มอร่อยแซ่บนัวอะไรต่างๆหรือความสมัมผัสทางกายเย็นร้อนอ่อนแข็ง มันส่งความรู้สึกทั้งหมดนั้นไปรวมอยู่ที่ใจใจท่านั้นเป็นผู้รับผู้ใจท่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเพราะฉนั้นใจนี้จึงสำคัญมีหน้าที่มีการงานมากถ้า ห, หากจะมีสุขก็สุขที่ใจถ้าหากจะมีทุกข์ก็ทุกข์ที่ใจร่างกายจะอยู่เย็นเป็นสุขมากมีสีสุขสะดวกสบายสดสวยร่ำรวยกันอย่างไรก็ตาม ถ้ากายไม่มีความสุขแล้วมันก็เศร้าถ้าใจไม่มีความสุขแล้วมันก็เศร้าม้อมเป็นทุกข์ทนไม่ได้ทั้งกระหน่ำกินยาตายผูขอตายค่าตัวตายทั้งหมดนั่นนั่นเป็นเรื่องของใจทั้งนั้นบางคนทุกข์ยากแสนจ็ทุกข์ยากลําบากตากแดดอยู่กลางทุ่งกลางท่าใส่เสื้อผ้ากรขา ด, ขาดอาหารปลาร้าประแดกบองกินไปวันวันทำงานทั้งวันเลื่อยไม้ไ้กบอะไรต่างๆขุดดินทางป่า แต่เขามีความสุขเขาร้องรําทําเพลงไปกลับมาบ้านยิ้มชื่นใจกินข้าวกับแจวประแดกปลารอยู่เขาก็มีความสุขใจกับลูกกับเมียบ้านเขาไม่จะเป็นหลังน้อยมันก็กลายเป็นสวรรค์ตัวเขาไม่จะยากจนแต่มันก็เป็นเทวดาบนสวรรค์คือบ้านหลังนั้นมีเขาก็สบายใจผัว ก, กับเมียเป็นเทวีเทวาลูกเล็กๆ เ, เกิดมาเป็นเทพประบเทพปิดดาลูกสาวลูกชายมันผิดกันตรงที่ใจ บางคนมั่มีสีสก บ, บ้านหลังใหญ่ๆหญ่ทะเลาะกันหยดแบบบ่อยผัวกับเมียเป็นหนี้เป็นสินความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่รู้จักหยดจักพอเป็นหนี้บ้างๆั่หาทางออกไม่ได้เมาหน้ากันไม่ติดพูด ก, กันดีๆกลายเป็นความเข้าใจผิดเป็นเรื่องร้ายบ้านหลังใหญ่ๆหญ่โตๆกลายเป็นนรกผัวกับเมียก็กลายเป็นสัตว์ในนรกไปบางทีก็ทะเลาะกันกลายเป็นยั๊กคีนีขีโน่จักคีนีจักโคโนตีกันโหร่างข้างแตก ลูกยักล้องให้สนั่นหวันไว้คกกระบากสากบเบือปิววันทั้งหมดนั้นหาความสุขไม่ได้เนื่องจากใจที่ขาดความสุขนั่นเองเพราะนั้นใจนี้จึงเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอำนาจมากเวลามันจะใหญ่ก็ใหญ่เนื้อฟ้าเนื้ออากาศเนื้อแผ่นดินใหญ่ครับฟ้าเวลามันจะเล็กมันก็เล็กกิงกว่าตัวเรือดตัวลายตัวเรน เวลามันจะสูงใจนี่มันสูงเนื้อฟ้าเนืออากาศเนื้อเทวดามารพรมจนทะลุออกไปเป็นพระคีนาสบเป็นเพระอรหันตพ้นจากทุกขั้งปวงได้ก็เพราะใจนี่เวลามันจะต่ำก็ต่ำลงไปสุดที่จะฆ่าคิดต่ำลงไปใต้ผ้าเช็ดตีนเข้าไปนู่นนี่เรียกว่าใจต่ทำทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างชนิดที่สัตว์ธรรมดาทําไม่ได้มนุษย์ที่มีใจสูงนี่แหละกลายเป็นผู้ทําได้ทุกอย่างเวลามันจะต่ำมันก็ต่ำ ม, มากเวลามันจะ กล้ามก็กล้าแต่งสุดเวียงยู่ที่ใจนี่ชนิดที่ว่าศีหาราชาสศรีมาอาชาในาช้างอาชไนาก็ยังไม่สามารถที่จะกล้าแต่งเท่ากับจิตใจของคนกล้าเวลามันจะกลัวมันก็กลัวไม่กระทั่งเสียงลมหายใจของตอนเองกลัวไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั้นคือใจเราควรจะต้องมาจัดการกับใจนี้ให้มากๆช่วระยะวันพระหนึ่งหนึ่ง จงจื้อเสว่าวันพักคือวันประเสริฐวันที่เราจะจัดการกับใจหนึ่งให้ใจได้พักผ่อนจากการดิ้นรนกรวนกระวายกวัดแกงด้วยความอยากความยุ่งความยึดเรื่องกินเรื่องการเรื่องเกียรติที่มันทาให้จิตใจหมลมองทางรูปทางเสียงทางติ่นทางรสสัมผัสที่เขามาทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายมาสู่ใจกลายเป็นโรคเอทแทนดิษใหม่ที่เรียกว่าสเปริชวลเอหไม่ว่าเอท เพิ่มทุกเข้ามาทางตาหูทางจมูกทางรินทางกายทางใจเข้ามาสูกใจนี้บัวเข้ามาช่วยเหลือให้เกิดทุกข์มากแล้วจะต้องมีแอนตี้เอพวกนี้คือมีสติสัมปชัญญะห ย, ยุทุกข์กรณีที่เราได้รู้ได้เห็นได้ยินได้รังเกียจศาสนาพุทธทั้งหมดเริ่มต้นอยู่ที่ตาหูจะหมอกรินกายใจการศึกษาธรรมะตั้งแต่ศิลธรมธรมธรรมดาจนถึงโลกุกตตรธรรมจนถึงการดับทุกข์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 เสาวันอาทิตย์กรวันสบาโตวันฮอร์เรดเดวันฮอลลีเดย์คือวันแห่งความบริสุทธิ์นั่นเองส่นบงชาวอิสลามพอมียมเจมาคือวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันพระของเขาส่วนเราชาวพุทธชาวฮินดูชาวพราหมทั้งหลายน่นก็มีวันพระร่วมกันวันเดียวกันแต่กิจกรรมในวันพระนั้นจะเหมือนกันหรือไม่ S 1> <S 1> นัน่นจะเป็นคสอนของสัปดาห์ของศาสนานั้นนั่นคือวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำสิบห้าค่าว่ากันว่าวันพระนี้ในห้างตําราพระพุทธศาสนาก็เคยพูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่อทเท้าเจตุโล ก, ก บ, บาตลตรวจโรคในวันพระเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำอมาตยบริวารของทเท้าเจตุโร ก, ก บ, บาล อะไรที่ออกมาตรวจตาโดมวลมนุษย์ชาติในโลกนี้ความมนุษย์นี้ยังทําบุญสุนทรท า, านยังฟังเทศฟังธรรมยังจําศีนยังรักษาศีนอุโบสถอยู่หรือในวันประเสริฐเช่นนี้วันที่มนุษย์จะต้องหยุดการแข่งข้าการใช้แรงงานหยุดการกระทําความชั่วกำรามุกต่างๆเขาจะมาเที่ยวดว่าโอ้มนุษย์ในโลกนี้ ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อุปถัมภ์พ่อแม่ยังเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ยังเชื่อฟังครูบาอาจารย์ยังเคารพสมณพามยังทําบุญสุนทรภารานยังฟังธรรมยังถือศีลห้ายังสมทานอุโบสถเป็นในวันพระนี่บางไหมนี่คือวันเจ็ดค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำอํามาตบริวารของท้าวเจตโรกบาลก็จะต้องมาตรวจเองเมื่อท้าวเจตโรกบาลตรวจเสร็จเรียบร้อย อเมื่ออามารประวังเท้าเจตโรคกระบาลตรวจเสร็จก็จะมาถึงวันสิบห้าค่ำคือวันพระใหญ่เมื่อวันสิบห้าค่ำวันพระใหญ่นี้เท้าเจตโรคกระบาลเห็นทีจะต้องลงมือเองตอแล้วลงมือเองตรวจเองเลยวันสิบห้าค่ำว่าเออมนุษย์ในโลกนี้ยังพากันรักษาสิ้ในวันอุโบสถไหม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 ตักบาตรักษาสิงกันโยอุโบสถก็ยังมีอยู่ถ้าอย่างนี้พวกเทวดาบนสวรรค์ต่างก็ดีอกดีใจอ๋อบัด น, นี้กายทิพย์จะเจริญแล้วหนอต่อไปพวกเหล่านี้ก็จะได้มาเกิดในสวรรค์เป็นบริวารเป็นหมู่เป็นคณนะเป็นเทพนิยายกับเราต่อไปนี้ในสวรรค์ น, นี้ก็จะเกลื่อนกล่อนไปด้วยเทวดากายทิพย์ก็จะเจริญมากในสวรรค์ เหล่าเทพวดาทั้งหลายก็ดีออกเดจใจเสียงคีตะดนตรีทิพย์อันบ่งบอกถึงความเจริญทางจิตใจแห่งหมู่บวนเทพก็จะได้บันเลงเกิดกล้องในอากาศพร้อมกันนั้นด่านมนุษย์ได้ทำคุณงามความดีามากๆแม้ว่าไม่ได้มาตรวจ เหล่าเทวดาเหล่านั้นก็จะรู้ได้ว่าเมื่อใดดอกไม้ปริชาติบนสวงสวรรค์เทวโลกชั้นดั บ, บดึงได้เริ่มผลิดอกออกมาเทวดาย่อมมีความเพลิดเพลินว่าเอออีกหน่อยเถอะดอกนี้ผลิแล้วก็ตูมตูมแล้อีกหน่อยเถอะเดี๋ยวก็บานกลิ่นหอมกระจายไปชั่วฟุ้งไปหมดทั่วสวงสวรรค์แห่งโบว์วนดอกปริชาติเสียงดนตรีทิพนแห่งโมว์วน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 เราจะมีแต่ความสุขอันเป็นทีแ่แผงเทพในกายนี้แต่ถ้าหากว่าถึงวันพระสิบห้าค่ำเท้าจะตรวโรคก บ, บาลมาตรวจโรคเสร็จเรียบร้อยไม่เห็นมนุษย์ทำคุเงามความดีนักมีจำนวนน้อยเข้าวัดในวันพระก่อนนิดเดียวพร้อมกันนั้นก็ไม่เรียนดูพ่อแม่พ่อแม่พูดไม่ดีก็ด่าว่าไม่พออกพอใจหน่อย ก็จะว่าให้การโชคโหข่าพ่อแม่เท่าๆในบางทีร้องไห้น้ําตาไหลถูกลูกเผาผานจิตใจยังไม่ตายมันเผาซะก่อนแล้วกกเผาจิตเผาใจด้วยการกระทําไม่ดีไม่งามเพรนั้นก็พูดจากกล่าวเล่ากันโชคโหข่าแม่น้ําตาหลังน้ําตาไหลพ่อร้องไห้เสียใจเพราะลูกกระทําไม่ดีไม่งามอย่างนี้มนุษย์นในโลกไหม บูชาไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่เคารพไม่บูชาสมณพามไม่สร้างกุญญามความดีทำบุญปักบาตไม่ถือศีลห้าไม่สมร า, ารนอุโบสถในวานพระเขาจะตโลกกบาลก็มีหน้าตาเศร้าหมองขึ้นไปบนสวรรค์ฉันดาวเดึงบอกกับพระอินทรบัตินี้เมืองมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยอาธรรมอัลลา ม, มกเต็มไปด้วยมนุษย์อันตรายเอารัดเอาเปรียบกดขี่คมเหงกันในชุมชนในสังคม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 แต่พ่อแม่หนาวสั่งงนงินงกเขาไม่สนใจที่จะหาผ้ามาให้หมและไม่สนใจที่จะต้มน้ําอุ่นๆให้พ่อแม่อาบเลยนี่เขารักไก่ตีรักไก่ชนมากกว่าพ่อกว่าแม่ในวันเสาร์วันอาทิตย์พ่อแม่นอนเจ็บไข้ยอยู่ที่บ้าน เขาไม่สนใจจะดูซ้าเขาเป็นห่วงที่จะไปดูมวยตู้ดูโถลัดทัดมากกว่าที่จะดูแลพ่อแม่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเขาเป็นห่วงที่จะไปกินเหล้าสนุกสนานเพลิินกว่าที่จะมาสนใจกับแม่เท่าๆที่นอนไข่อยู่ที่บ้านถ้าจะตัวโลกก็ บ, บางก็จะลำพึงลำพันสมณะพามผู้มีศีล สมณพามผู้ประพฤติปฏิบัติดีเขาไม่สนใจเขาจะลังไลายไปหาสมณพามเก้ผู้บอกเลขบอกหวยเครื่งลังของขังนัง่งทางในไสยศาสตร์บัดนี้เมืองมนุษย์ได้วิ ป, ปริตแปรปวนหมดแล้วเห็นความดีเป็นความเห็นความดีเป็นความชั่วเห็นกองจักเป็นดอกบัวเอาหางเป็นหัวเอาชั่วเป็นดีทา้าเจตโลกอบาลก็น้าตาเศร้าหมองไปบอกกับพระเอ็นส่วนเทวดาบนนู้นก็พากันเศร้ามองว่าบัดนี้กายทิพย์ จะลดลงสวรรค์จะละหล้วงพวกเพลมีเทวดาจํานวนน้อยอสุรกายจะปรากฏแน่นแออัดยัดยีดกันโยนในนรกคํากล่าวเหล่านี้มีไว้ในพระไตรปิฎกให้เราได้รู้ได้เห็นค <c oughs> ํากล่าวนี้มีในพระไตรปิฎกสุตตันตปิฎกอังคุตรนิกายติกนิบาตปทมปันนาะไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบ เล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบหกหน้าที่180หนึ่งร้อยแปดสิบพระพุทธเจ้าท่านเคยกล่าวเอาไว้มีคำว่าอัตมียังพิฆเวปกัสสะจตุนังมหาราชานังอมาจาริสัตสาอิมังโลกังอนุวิจารันติกัจจักกัจจิจพะมิมนุษยส์สามนุษย์เสสุเมตัยยะ เตเตยสมัญญาพมัญญากุลเชเทาประจานโยกแต่เป็นภาษาไทยของเราง่ายๆที่เราจะเข้าใจกันได้ไม่จะเป็นต้องพูดภาษาบาลีก็ได้มีต้อยคำที่พระพุทธเจา้าท่านตับให้ภิกษุทั้งหลายฝังหวาดดู ก, ก่อนภิกษุทั้งหลายในดิทีที่ 8. แปดแห่งปัก่วนแปบคําเทวดาผู้เป็นบริวารของเท้าเจตโร ก, กรบาลย่อมเที่ยวตรวจ ด, ดูโลกในว่านในหมู่มนุษย์ มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่บิดามารดาเกื้อกูลแก่สมณะแกพราหมณ์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังครูบาอาจารย์อธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมบุญมีอยู่มากเลยเนอดูก่รที่สุดทั้งหลายในดิชีที่สิบสี่ข้าของปักพวกโอรสลูกของเท้าเจ้ตุลมหาราชยอมเที่ยวตรวจดูโลกในว่าในห ม, มนู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาบิดามีอยู่มากหรือน้อยแค่ไหนมีอยู่หรือเนอ ดูก่อนวิสุดธังยรในวันอุโบสถที่สิบห้าค่ำนันเท้าเจตุโรกับบานย่อมเที่ยวตรวจดูโรกนี้ด้วยตนเองที่เดียวว่าในหมู่มนุษนั้นมนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มาดาเกื้อกูลแก่บิดาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่รบุบาอาจารย์เกื้อกูลแก่สรมพนาพาอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติธรรมดุลมีอยู่มากเลยหนอะ ดูความพิศวงหลายท่านในห ม, มนู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแกม่มารดาแก่บิดาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อสมณนะพามเคารพครูบาอาจารย์มีการทำบุญอยู่น้อยแล้วเจตุโรคบาลย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมา น, นั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงสึ่งมาประชุมกันณนะสุธรรมสภาวะดูก่อนท่านผู้นีน้ระทุกทั้งหลายในห ม, มนู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแกมารดาบิดาปฏิบัติชอบต่อบิดามารดาอุปหับบิดามารดาเชื่อฟังครูบาอาจารย์ เคารพ บ, บูชาสมณพามทำบุญตักบาตรสมทานอุโบสถทศินป์และทำบุญกับพิกษุทั้งหลายนั้นมีน้อยเพราะเหตุจันนันพวกเทวดานั้นชั้นดาวดึงย่อมพาการเสียใจว่าดูก่อนผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยกายทิพย์จากเสื่อมหายอสุรกายจากเต็มบริบูรณ์ดังนี้ดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้าในบูมนุษมนุษย์ที่เกื้อกูลแก่บิดามารดา เชื่อฟังครูบาอาจารย์เขารบบูชาสมณพามปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำบุญตักบาทฟังธทมจำสินออบอสดถึงสิ้นห้ามีโยกมากท้าวจัตุโรกรบาลมหาราชยอมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาบดึงที่มาประชุมกันณธรรมสภาว่าด้วยก่อนท่านผู้นีระทุกทั้งหลาย ในหมู่มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะเกื้อกูลแก่พรามเชื่อฟังโคูบะอาจารย์อ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลอธิษฐานอุโบสถในวันพระสมาทานเสิ้เนเฮอในวันธรรมดาปฏิบัติดีปฏิบัติตตชอบทำบุญมีอยู่มากแลเพราะเหตุ น, นั้นผู้เทวดาชั้นดาวดึงย่อมพากันดีใจว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายกายที่จกเต็มบริบูรณ์อสุรกายจากเสื่อมสูญ และโมมวลเทพเจ้าย่อมบันเทิงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้ทั้งที่อาตมากล่าวแล้วในปฐมปันญาเกิกในบาทอังคุ ต, ตนิกายฟระไตริดกเล่มที่ยี่สิบข้อที่สี่ร้อยเจ็ดสิบหกหน้าที่หนึ่งร้อยแปดสิบถ้ามีโอกาสก็ลองศึกษาค้นคว้าดูไม่ใช่อาตรมาว่าเอาเอง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 เพราะว่าในบ้านนี้เมืองนี้มีพระพุทธศาสนาเราเกิดมาอยู่ในเมืองฝรั่งมั่งค่ามเมจะเจริญรุ่งเรืองถ้าขาดพุทธศาสนาก็มีแต่โอกาสที่จะประมาทมีแต่ความอยากได้อยากมีอยากเป็นโอกาสที่จะสร้างสรรค์ต้นนาชีวิตให้สูงขึ้นจะไม่มีท่านจะเพิ่งเห็นของร้ายเป็นของดีจะซื้อเห็นของหายเป็นดีมีคายเห็นดานดาวดองกวางวาแปน เขาจะบอกความเจริญทางวัตถุนั้นคือความดีความงามความถูกต้องเดียวนี้ฝรั่งต้องกินยาตา ย, ตายผูกคอตายเป็นโรคและญาติเอาปืนยิงหัวตายมากที่สุดเพราะความเจริญทางวัตถุจิตใจไม่มีธรรมะที่จะเข้าไปย้อมไปประสานยามผิดหวังยามช่อชั่นเมื่อเป็นอย่างนี้ฝรั่งนมน ม, นมฮิปโปฮิปปี้ทั้งหลายจึงสนใจพุทธศาสนาเป็นพิเศษอาตมาอยู่ในป่านในดงแม้วันนี้เองก็ได้รับจดหมายจากฝรั่ง ตัง้งใจอยากจะมาเพื่อปฏิบัติทำกันเป็นจำนวนมากเพราะเราจะมีที่ให้อยู่มีที่ให้เกตเรือไม้ทำไมเขาจึงดิ้นรนขวานขวายทอดทิ้งศาสนาเก่าดั้งเดิมของเขาเพราะว่าศาสนาเก่าก็ดีวัตถุนิยมที่เขามาั่งมีสีสุขมีเงินมีทองนั้นมันช่วยอะไรไม่ได้สังเกตดูคนทุกยากลำบากเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาในทุ่งในท่าร้องเพลงอย่างสบายคนเมื่อมีสีสุขที่ไม่มีคนทำตกนรกติดแอ หน้าตาเศร้าหมองอยู่ในห้องแอร์ถึงกับเป็นโรคระสาทในห้องแอร์กินยาตายในห้องแอร์เอาน้ำกดรถล่าสารหน้ากันในห้องแอร์ทั้งหมดนั่นคือความทุกข์ก็ได้ถ้าขาดขาดธรรมะเพราะฉะนั้นในสวรรค์ยึงไม่ได้วิเศษอะไรไปยิ่งกว่าในเมืองมนุษย์เพราะว่าในสวรรค์นั้นไม่ได้เรื่องของตามอารมณ์พระพุทธเจา้าท่านกล่าวไว้ในฐานะโส อังคุตการิไกพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามข้อที่อังคุตรกรนิไกพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสามข้อที่สองร้อยยี่สิบห้าหน้าที่สามร้อยแปดสิบสี่ในโสตสนมีชื่อว่าฐานะโสตพระพุทธเจ้ากล่าวว่าด้วยความพิสุจนทั้งหลายในหมู่มนุษย์นี้ยมปลื้มเกินกว่าเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงสามสถานคือในเมืองมนุษย์นี้ หนึ่งย่อมเป็นผู้มีความอดทนสองเป็นผู้มีความเพียรยอดเยี่ยมสามเป็นผู้มีสติถ้าไม่ยิงกล่าวว่าในมนุษย์ต้องอดทนกว่าเทวดาเพราะเมือมนุษย์มันมีความทุกข์กว่าเทวดามีอายุกว่าน้อยไม่เกินร้อยปีมนุษย์จึงเป็นผู้แกล้งกล้าได้มาเกิดที่นี่เพราะต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์พร้อมกันนั้นมนุษย์ก็ต้องมีสติยิ่งกว่าเทวดาจึงแกวตัวรอดกันได้เพราะว่ามันมีความทุกข์มาคอยเตือนจิตสกิดใจคอยบีบขันต่อมมีสติ กำหนดรู้เท่ารันยีอยู่ในโลกจะมีความทุกข์อยู่ในโลกจะมีความขมขื่นนี้ได้เพราะฉะนั้นมือเทวดาทั้งหลายจะตายเทวดาทั้งหลายจึงให้พรแก่กันและกันในพระไตรปิฎกวจามานสโตรคุตะกนันในกายเล่มที่25ขอ้อที่261หน้า267 289ฉบับภาษาบาลี มีคำกล่าวไว้ที่พระพุทธเจ้าท่านพูดในเรื่องพระจมาณนัว่าเทวดาให้พรกันเมื่อใดเทวดาจะตายจะจุติจากสวรรค์หนึ่งดอกไม้ทิพย์ช่ำเหี่ยวแห้งร้องเสื้อผ้าผรอนเศร้าหมองสามผิวพันุ์ของเทวดานั้นเศร้าหมองสี่ที่นั่งเต่นอนร้อนรนกระวนกระวายห้าเคือออกจากกระแรเมื่อมีบุพพนิมิตห้าประการนี้มันจะสับุพพนิมิตต่างปาตุพวันติ เออเรยว่าบุาพนิมิตห้าประการปรกากฏขึ้นแล้วเทวดาทั้งหลายย่อมรู้กันว่าบัดนี้จะต้องตายหมดบนจากสวรรค์เทวดาก็จะลังลายไปให้พรกันอกพ อ, อพออพมหาจำเริญแม่มหาจำเริญมเมืม่อหมดบนจากสวรรค์จุติจากสวรรค์ลแล้วขอให้ท่านจงได้ไปสู่สุคติเมื่อท่านไปสู่สุคติแล้วขอให้ท่านได้พบลาบอันเสริตเมื่อท่านพบลาบอันรเสรตแล้วให้ท่านตั้งอยู่ในลาบนั้นนา น, น, าน ดูก่อนที่สุดทังหลายเทวดาทั้งหลายย่อมให้พรกันอย่างนี้จนที่เทวดาจะจุติจากรวรรณะเมื่อได้พบอุพันธิมิท่าประกาศนั้นพระพุทธเจ้ากับตัดกับพิสุทังหลายขอประทานอภัยเสียไม่ไว้ที่เชตวันมหาภิหารในตอนเย็นๆของวันนะทีนี้พิสุตังหลายก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะพวกเรามนุษย์ดีเวลาจะตายก็โวยพรในการเขียนใส่พวงหลี่แต่ไปตั้งไว้ขอวิญญาณของท่านจงไปสู่สุขติ แล้วมนุษย์ก็อวยพรให้กันให้ไปสู่สุขติและทำไมเทวดาจะตายต้องบอกให้กันไปสู่สุขติอวยพรให้แก่กันและกันว่าขอท่านจงไปสู่สุขติไปสู่สุขติแล้วขอให้ท่านได้พบลาบอันประเสริฐเมื่อพบลาประเสริฐแล้วขอให้ท่านตั้งอยู่ในลาบนั้นนานๆอะไรเล่าพระภูมีพระภาคเจ้าพูดเจริญคือสุขติของเทวดาอะไรเล่าคือลาบของเทวดาอะไรเล่าคือการตั้งอยู่ในลาบเสริฐนั้นนานๆของเทวดาที่ให้พรแก่กัน พระพุทธ้าท่านก็เลยบอกว่าดูกาอพิสุทธิ์ทลายการได้เกิดในหมู่มนุษย์เป็นสหายแห่งมนุษย์อย่างพวกเรานี้แหละคือสุขติของเทวดาการได้พบลาบของเทวดานั้นก็คือการได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วในประเทศที่มีคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธประธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นลาบอันประเสริฐของเทวดาที่ให้พรกันการตั้งอยู่ในลาบ นานๆที่เทวดาให้พรกันนั้นก็คือขอให้ท่านจงมีสถามีศีลเคารพในประพุทธประธรรมพระสง์สมาทานศีลให้ดีๆจะได้มาเกิดเป็นเทวดาด้วยกันบ่อยๆมิฉะนั้นมันจะร่วงลงในนรกเนี่ยดัมมาไม่ได้พูดเราเองแต่ท่านคิดว่าดัมมาพูดเราเองก็ไปเปิดพระไตรปิฎกว่าจะมานโสดคุติกันิกายพระตถาปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าขอ้อที่สองร้อยหกสิบเอ็ดหน้าที่สองร้อยแปดสิบเก้า ถ่าอันนี้มันเป็นภาษาบาลีก็ลองไปเปิดเล่มเดียวกันเนี่ยเล่มที่ 2.5 ข้อที่261หน้าที่297หรือฉบับไหนก็ตามใจที่เป็นพระไตรปิฎกจำข้อไว้ให้ดี261หน้าที่ 2.5 อ่าเล่มที่ 2.5 ข้อที่261ส่วนหน้าไม่ตรงกันมันมีหลายชุดใทเวลาเราให้พรกันให้เป็นสุ ข, สขติพวกเราทั้งหลายจะต้องมาเอาแต่สุคติหลังจากตายแล้ว เข้าใจว่าตายแล้วจึงจะไปสู่สุคติถ้าสมมุติว่าเราจะไปทําบุญทําทานไปบ้านโน่นเมืองนี่เหมือนกับจะมาที่นี่มายังเมืองโคโราชจะมาที่อ่าวัดป่าบ้านแพนนิเพทิการามไปฟังเทศอาจารย์สมภพกันเถอะแล้วพวกโคโราชก็บอกว่าเออเอ็งไปไม่ได้พ่อโม่ได้โ่งอยากเบื่หนาทีการงานไปเสียคอยทันตจงไปสู่สุคติสุคติได้ไปฟังเทศอาจารย์สมภพแล้วจงไปสู่สุคตินะ ถ้ามาโมอวยพรให้กันอย่างนี้ทัานนักหลายก็คงจะตาขวางใส่วะกูประทานได้ตายบ่คือจะมาหาไปสู่สุขติไว้เถอะพระเจ้าอาความจริงเขาพูดถูกไหนะไปโกรธเขาแต่เขาให้เราไปสู่สุขติยังเป็นๆขอให้ยกเสก้าวเท้าใส่หัวสาธุเรายังเข้าใจสุขติกันน้อยไปสุขติกันน้อยไปเข า, วาอวยพรให้เราไปสู่สุขติจมดีใจ เพราะว่าคำว่าสกตินั้นเป็นคําพูดที่พูดกันมาก่อนเราพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดอาจจะมาเชื่อเป็นคําเก่าแก่มากพร้อมๆกับคําว่านิพานพร้อมๆกับคําว่าอรหันต์พร้อมๆกับคําล่อมักทั้งหมดนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันธรรมดาธรรมดาในสมัยก่อนพุทธเจ้าเกิดสุแปลว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงสุกับคติรวมกันข้าวเป็นศกคติแปลว่าไปดีไปงามไปง่าย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 เพื่อให้เรสุขคติอยากเราไปทําบุญศุนทรภารหานไปประกอบคพงงามความดีไปประพฤติทาไปปฏิบัติทําไปบวชจีพนไปนั่ก็อต่ำถือว่าเราไปสู่สุขคติเพราะไปสะดวกไปสบายไม่ต้องย่านเจ้าย่านนายมาจับเข้าคุกเข่าตารางหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสจะไปทอดผาตาทอดกาถินรถตํารวจตั้งด่านเห็นก็ยิ้มชื่นใจเขาโบอกไม้บอกมือขอตัวก็ยิ้มตัวไปทอดกาถินครับไปทอดผาตาครับไปทําบุญครับเออ ตัง้งเอร์นมาตรวจก็ไม่มีอะไรเราก็ยิ้มพอใจให้เขาตรวจเขาก็ยกมือไหวโดยสาทุโอนโมธนาขอให้ท่านจงไปด้วยความปลอดภัยนะครับไอปลอดภัยนั่นก็คือสุขติเหมือนกันแต่เพียงจะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองถ้าปลอดภัยก็หมายว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายเข า, าพอให้เราไปสู่สุขติจงดีใจเพราะว่าคําว่าสุขตินั้นเป็นคําพูดที่พูดกันมาก่อนเราพูดที่เจ้าเรายังไม่เกิดอาตจมาเชื่อว่าเป็นคําเก่าแก่มาก พร้อมๆอมกับคําว่านนิพานพร้อมๆอมกับคําว่าอรหันพร้มพร้อมกับคําล่อมกัอออมมอมกมทั้งหมดนี้เป็นภาษาชาวบ้านที่พูดกันธรรมดาธรรมดาในสมัยก่อนพุทธเจ้าเกิดซุแไปล ว, ว่าดีว่างามว่าง่ายคติแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงซุกับคติรวมกันข้าเป็นศกคติแปลว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายไปถึงดีไปถึงงามไปถึงง่ายไปถึงสิ่งที่สะดวกสบาย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 อย่าเราเราทำบุญสุนโทรภารหานไปประกอบผลงานความดีไปประพฤติทําไปปฏิบัติทําไปบวชจีบามไปนั่งขะตามหรือว่เราไปสุสขขะติเพราะไปสะดวกไปสบายไม่ต้องย่ า, เ า, ยานเจ้าย่านนายมาจับเข้าคุกเขาา่าตะรานหน้าตายิ้มเย้ยจอมใสจะไปทอดผ้าปา่าทอดกฐินรถตํารวจ ต, ตั้งด่านเห็นก็ยิ้มชื่นใจเขาโบกไม้โบกมือขอตัวก็ยิม้มตรวไปอทอดกฐินครับไปทอดผ้าป่าครับไปทําบุญครับ เออตำรวจท้านมาตรวจก็ไม่มีอะไรเราก็ยิ้มพอใจให้เขาตรวจเขาก็ยกมือไหว้โดยสาทุอนุโมทนาขอให้ท่านจงไปด้วยความปลอดภัยนะครับในปลอดภัยนั่นก็คือสุขติเหมือนกันแต่เพียงจะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองถ้าปลอดภัยก็หมายว่าไปดีไปงามไปง่ายไปสะดวกไปสบายอย่างนี้เรียกว่าไปสุขติแล้วใจเราก็สบายได้ทดําตีกลับมาก็สบายคิดถึงคุณงามความดีเมื่อไหร่ก็สบายใจ ถ้าก็เมื่อว่าเราจะเอาเฮโรอีนเอาฝิ่นเอากัญชาอาวุธสองขามไปขายหรือ okay. ไปลักงวลักควายเขาควายใส่รถไปนั่นมันไปสู่ทุกข์ทีไปสู่ความยากความลําบากความเดือดร้อนในใจตะลอดตำรวจตั้งด่านจะตรวจหน่อยแม่เอากัญชาซ่อนไว้ในรถเอายาฝิ่นซ่อนเอาไว้เฮโรอีนอาวุธสองขามขายซันบ้าบ้าป้าเผื่อไรใครหยดกลัวจะตายดีบปดีจอดรถโดดวิ่งหนีซะก่อนนั่นมันลําบากเรียกว่าไปสู่ทุกข์ที เพราะฉะนั้นอย่าได้จะเข้าจัาวัดตายแล้วจึงไปสู่สุคติพวกเทวดาจึงอวยพรให้การขอให้ท่านจงไปสู่สุคติในสู่สุคติของเทวดาก็คือได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องมาตัดส ร, รู้ในเมืองมนุษย์ยังไม่ประกบว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้บนสวรรค์พระพรทัง้งหลายต้องมาเกิดในเมืองมนุษย์แล้วที่ได้แน่ในกล้ก็มาเอกที่ไหนมันลําบากหน่อยมันก่อให้เกิดความไม่ประมาท ต้องทําความเปลี่ยนพระพุทธเจ้ารู้องค์ตรัส ร, รู้ใต้ร่มไม้กลางพื้นดินในป่าพระอหรหันต์รู้องค์ตรัสรู้กันบรรลุธรรมกันอยู่ในป่าในกระท่อม น, น้อยเดี๋ยวนีนนน้พระอหรหันต์ก็มไม่ยุคคอมพิวเตอร์อาอากาศนี้ต้องมีกุติปูโมเสตปูหินอ่อนคาลือหาดใหญ่แข่งกับเทวดาบนสวรรค์คงจะตัดสรู้กันอยู่บนกุติหินอ่อนที่ติดแอร์ปรับอากาศ มันผิดกันมันสวนทางกันนะหรืออาจจะตัดทะลุกันอยู่ในรถเกง๋งรถเบนท์คันใหญ่ๆอย่างสบายๆเทวดาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไม่ได้ดีไปกว่ามนุษย์เลยแต่พวกเรานั้นปรารถนายิ่งนะักทำไมเทวดาจึงให้พรกันให้ได้บังเกิดในเมืองมนุษย์ให้ได้พบพรพุทธระธรรมปร ะ, ประสงให้ตั้งอยู่ในศีลในสถาา ม, มากๆและจะได้มาเกิดเป็นเทวดาด้วยกัน เมืองสวรรค์เราจึงจะสุขสนานเพลิดเพลินต่อไปเพราะในเมืองสวรรค์ น, นั้นไม่มีประพุทธประธรรมพระสงค์ให้ได้ยินปัญญาดอดหยาดตามีแต่เรื่องมีหลวงเป็นร้อยเบียน้อยเป็นพันนางอัปปสัมบริวารเป็นหมื่นหมื่นคางเหลืองเข้าแต่หอวลอกา ม, มาอยู่นั่นแล้วตายค่าทําบเห็นณถ้ำปเจาะเก่ า, กาวนในเมืองสวรรค์นั่นแล้ว ในเมืองสวรรค์มีแต่เรื่องเอาอกเอาใจมีแต่เรื่องสะดวกสาบายไม่มีเวลาที่จะมาคิดถึงเรื่องเสร็เรื่องทำเรื่องอนิจจังทุกครั้งอนันตาไม่แบบมีเวลาที่จะมาคิดถึงวันนี้คือทุกข์เขียนให้เกิดทุกความปฏิบัติเพื่อดับทุกการดับลงแห่งความทุกข์ไม่ได้สนใจใครจะเทศน์ฟังเมืองสวรรค์เกือบยังไม่สนใจเพราะเรื่องกามมาลมมันเข้าหูเข้าตาเข้าปากเข้าจมูกกันหมด mm hmm. พอเวลาจะตายดอกไม้ที่เหี่ยวแห้ง มาลาไมลายันติปาตุผวันติดอกไม้ที่เบียวแห้งแล้ววัดฐานิอุปกฤณสามิเสื้อผ้าอะไรเส้ามองไปหมดแล้วกระเชืหิเสทามุด จ, จันติออกกเขื่อออกจั ก, กระเลแล้วเทวดาเลยจะตายเขือออกจักระเลเสื้อผ้าเส่ามองหลังจากนั้นก็นทีนั่งที่นอนร้อนรนกรวนกวาดไม่เป็นอยู่เป็นสุขแล้วก็ผิวพัน ออืที่เคยผุดผ่องกับเศร้าบองทนี้เทวดาบอกแกตายแม่เนี่รู้กันต้องมาอวยพใรให้กันโอ้ยจะตายแล้วให้ได้ไปเกิดฟูทุกขติเด้อพระเจ้าสุกติแล้วให้ได้พ่อลาบอันประเสริฐเด้พอพ่อหลับแล้วให้ตั้งเจ้าตั้งอยู่ดลโดยตายแล้วจะเสด็จมาเกิดสวรรค์ น, น้ำกันอีกเด้อพระเจ้า น, นี่คือประเพณีของเทวดาที่จะอวยพใรให้กันสามัญนี่พุทธเจ้าว่าวัดจะมานะสสต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 เทวดาตนหนึ่งมีปราสาทมีวิมานมีดินแดนติดกันพอนางเทพบุตรตายจากมนุษย์ิตธรรมดีไปเกิดอยู่ในแดนปรากฏอยู่ในแดนวิมานขององค์ใดก็เป็นบริวารขององค์อ น, องนั้นอัปสรองค์นั้นเป็นเมียน้อยองค์นั้นต่อไปที่นี่นมีอยู่ครั้งหนึ่งนางเทพอัปสรองค์นั้นปรากฏขึ้นเมื่อจุติจากมนุษย์แล้วไปเกิดขึ้นที่นั่นแต่ไปเกิดอยู่ในระหว่างกางแบนกลางแดนระหว่างเทพบุตสองตัวไหนที่สุดก็ทะเลาะ ก, กันตกลงกันไม่ได้ ใครก็จะเอาผู้วันนั้นนี้ไปได้เกิดอยู่ในที่มันสมบูรณ์มันเกิดอยู่ระหว่างต่อแดนกันคนโน้ก็จะเอาคนนี้ก็จะเอายืดยุดฉุดกันชติทะเลาะกันนี่ขนาดว่าเทว ด, ดานนะจะกล่าวไปใหญ่คนธรรมดาสาวสวยสวยโซฮาคาเรียงมาลอยเกิดขึ้นมาแล้วก็แย่งกันตายแหละทีนี่ไม่รู้จะเป็นสิทธิของไขรมันเกิดอยู่ท่ามกลางทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาก็บอกว่าอย่าทะเลาะกันเลยเราไปหาหัวหน้าเราดีกว่าคือพระอินทร์นี่ในคมปีรบาลว่าบุหงเงี้ย ไปถึงพระ อ, อินเข้าแหมพระ อ, อินมองตั้งแต่ตีนจดหัวมองตัดงหัวยันตินพอะคนไม่จับพระคนเ อ, อ้อยเหมือนหยาดดินมาฟ้าแต่นี่จะหยาดฟ้ามาดินสวยเชิงวับอะไรเช่นนี้ชนเชลเลนด้วยอะไรเช่นนี้ไม่เคยพบเคยเห็นในสวรรค์ชั้นนี้ยังไม่ปานเธอเนี่ยความก็หนักในการเริ่มบีบคั้นจิตใจของพระ อ, อินผู้เป็นหัวหน้าทั้งสองคนก็ทะเลากันข้าแต่ท่านจอมเทพ หัวกับผมทะเลาะ ก, กันตกลงกันไม่ได้เพราะนางนี้เกิดอยู่ในดินแดนเขตติดต่อกันระหว่างวิมานของกับผมสองสององค์นี่แต่นางหันหน้ามาหาทางของผมมันน่าจะเป็นของผมนะครับคนอื่นบอกจะหันหน้าหาหลังก็าตามแต่วัดดูแล้วมันอยู่ในเขตของผมมากกว่าคนจะเป็นของผมไหนสุดทะเลาะ ก, กันพระอินบอกเออหยุดหยุดได้แล้วอย่าทะเลาะ ก, กันไหนเขถาถทำหน่อยสิไอ้เมื่อแกเห็นครั้งแรกรู้สึกอย่างไรกับนาง เอววลาตอนแรกบอกว่าแม้พระเจ้าปภกณุเ้ยพอเห็นนางเนี่ยจิตใจของผมนี่อ่อนปวกเปียกเลยเหมือนที่พึ่งลนไฟจะตายซะหายได้ผมนอนไม่หลับตั้งสามสี่วันตั้งแต่ น, นางปรากฏขึ้นตรงนี้ควรจะให้ผมเลยครับผมทรมานพละกับแล้วเธอหละถามองค์ต่อไปข้าแต่เทวะผู้จอมเทพ เพียงในแว๊บเดียวที่ผมได้เห็นนางเท่านันเสมือนหนึ่งคมดาบเสียบตรึงไว้กลางดวงใจเหมือนหัวใจแท บ, บจะแตกสลายไม่เป็นสิ้นชิ้นเป็นอันเห็นที่จะต้องตายให้ได้อย่าว่าแตนอนไม่หลับเลยเก่งพวกเก่งไม่ได้เห็นแต่ใบหน้านางควรจะให้ผมซะแล้วครับผมหายใจเป็นนางจริงๆได้โปรดเถอะพายินได้ยินนั้นก็ตลอดว่าพวกเธอทั้งสองอย่างชั่วฉันเพียงเห็นนางแวบเดียวเท่านั้น ฉันมันจะสิ้นใจตายในขณะนี้ทํามเลยนางตายแน่แน่สวรรค์นี้จะต้องเป็นนรกทั่วพริบตาเลยเอาเถอพวกเธอยังพอไหวขอให้ฉันตั้งแต่นั้นฉันจะตายก่อนใครนี่ถ้าไปามาพระอินทร์ก็เลยงา่าจะก่อนเขาเลยแลักษณะนาชินีบง่งบอกทั้งความสกดิปอกลานกบนสวรรค์พระพุทธเจ้ายังบอกว่าภิกษุใดก็ตามประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้ไปเกิดเป็นเทวดานในสวรรค์ผมอาจารย์ของผู้นั้นยังเศ้าหมองอย่างย่อหย่อนไปเลย ถ้าที่สได้ประพฤติปฏิบัติพรมมจันท์ทำความเพียรภาวนาคอได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์จันทาวดึงยามาลุศานนี้มานติปกรณิปัสสาวะสาดีหกเจ็ดชั้นที่พันเอกเสนอไปเห็นกันยังเป็นเรื่องขีพผงสําหรับพระสงฆ์องค์จ้าผู้ทําความเพียรอย่างนั้นพุทธิยถาท่านกล่าวว่าไม่ทุนสังโยกยังผูกพันด้วยการเสพการผู้เป็นการประพฤติพรมมจันทร์ที่ละปลัแต่พฤทิพรมมจันท์ที่ยังไม่ละการเป็นมุมีผู้ลวงโลกนะเนไหม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 ให้เจ้าได้เห็นลาภอันประเสริฐเพราะลาภประเสริฐที่เจ้าตั้งอยู่ลาภนั่นน่นพระพุทธเจ้าก็เลยบอกภิกษุพระภิกษุถามว่าอะไรลูกก็มือมนุษย์จะตายก็อวยพรให้กันไปสู่สุคติบนสวรรค์เทวดาจะตายอวยพรให้ไปสู่สุคติที่ไหนอีกอะไรเป็นลาภอันประเสริฐอะไรเป็นการตั้งอยู่ในลาภของเทวดาพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเกิดเป็นมนุษย์นั่นเป็นกิยที่แสนยากเป็นความปาถนาของเทวดานี้แหละเป็นสุคติของเทวดาการได้พบ ในแผ่นดินที่เกิดมีพระพุทธประธรรมประสงค์เหมือนประเทศไทยฟรีฝรั่งกําลังด้านด้นมาศึกษาเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมนั่นเรียกว่าลาบอันประเสริฐการที่ตั้งอยู่ในลาบอันประเสริตคือมีอาจารยรัทธาตั้งมั่นไม่งอนเงี้นคลอนแขนในพระพุทธประธรรมประสงค์มีสิ้นสมาธิปัญญามีศรัทธาประกอบสร้างความคุณนามความดีเชื่อมั่นในชีวิตในการกระทําของตนเองเป็นอันว่าปิดประตูอบายที่จะไปตกในนรกเป็นแปอสุรกายสเดชา พระพุทธเจ้าท่ยังเคยพูดอีกอว่าว่ารู้ก่อนได้สุดทั้งหลายเทวดานั้นเมื่อจุติแล้วได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นั้นมีน้อยเหมือนกับที้ดินอยู่ในเล็บของเราแต่ส่วนมากเทวดาตกน่าลกเหมือนดินทั้งหมดนี่ในแผน่นนี้เนี่ยพอเทวดามัวประบาทดังเก่าแล้วเดี๋ยวนี้พวกเราได้เกิดในประเทศไทยแล้วนะเราทั้งหลายได้เกิดเป็นมนุษย์ตาไม่บอดหูไม่โหนวกไม่หงอยเปียกเสียขาไม่เป็นคนพิกลพิการมีไร่มีนามมีสวนปอสวนมัน มนพออยู่พอกินนี้แสดงว่าเราได้เกิดในสุขติในหมู่มนุษย์แล้วแต่ท่านได้ราบอันประเสริฐหรือยังดินแดนนี้มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีพระสององค์จามีมครูบาอาจารย์สังสอนบาปุญคุณโทษประโยชน์มิใ่ประโยชน์ประกาศโลกนี้โลกหน้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ่งเชิงรู้จักบาปบนคุณโทษท่านเชื่อบ้างหรือยัง ท่านยังไม่เชื่อก็แสดงว่าท่านไม่ได้ลาบอันประเสริฐท่านเพียงเกิดมาในหมู่แห่งนั้นที่เป็นสุขติถ้าท่านเชื่อแล้วมีศรัทธามีสิลประพฤติคุณงามความดีในวันพระวันเจ้าเช่นนี้นี่แสดงว่าท่านตั้งอยู่ในลาบนี้ น, น, นานๆแล้วท่านก็จะต้องปิดประตูอาบายไม่ต้องไปตกนารกง่ายดอกเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าได้ประมาทในวันพระมาถึงแล้วเราตาไม่นวัวเราหูไม่บอด เราหูใหม่หนวกเราตาใหม่เบอต์ใหม่หงอยเปียเสียขาไม่เป็นคนพิกงพิการยังพออยู่ได้ประพฤติธเถิดคนงามความดีไม่ได้ไปวัดความดีที่บ้านยังมีพ่อมีทั้งคนแม่มีทั้งคนตั้งอกตั้งใจเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เคารพพ่อแม่เคาร ub, พครูบาอาจารย์เชื่อถือสมณพานผู้ประพฤติปฏิบัติดีมีโอกาสก็ทำบุญทำทานขัดเกลาความโลภในจิตในใจออกจากจิตจกใจบังกอดี ตรงเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ตอนเด็กๆพ่อแม่เลี้ยงเราเหมือนลูกแต่พอแก่พอเท่าจิตใจของผู้เท่ามันกลับคืนเป็นเด็กใหม่เราก็เลี้ยงท่านเหมือนท่านเป็นลูกเราพ่อแม่ตาบอดหูหนวกเป็นโอกาสเป็นโชคดีของลูกมากๆที่จะได้เลี้ยงดูจะได้รังเกียร์รังงอนเห็นคนเท่าคนแก่โง่เซอะงุ่มง่ามท่านจะเป็นบาปเป็นกรรมมากที่สุดเลยเพราะว่าพ่อแม่นั้นเป็นผู้มีบุญมีคุณ คนโบราณบอกว่าวค่วมปากพ่อแม่นันนกเติร์นประะนีไปบุญโยงยิ่งนบหักเสดเมื่อนาอย่าเลยว่าจานตานสองเขือนำตาหลังบาปทอฝ่าเว่งกัมทอแผ่นดินเดี๋ยวนี้พูดกับพ่อกับแม่ก็โชคโขงหากพอบานเสียมขุดอุดจาระแต่ผู้กับคนอื่นดีเท้เจ้านายครับนายขับอย่างโน้นอย่างนี้เรียแข้งเลียขาคนอื่นนั้นดีแท้พูดกับพ่อกับแม่ก็โชคโขกหากร้องห่มร้องไห้ พระพุทธเจ้าเนยบอกว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอปนี่ทําได้ในท่านมีชีวิตอยู่ท่านมีชีวิตเราจึงเลี้ยงท่านได้ถ้าท่านตายแล้วเราจะเลี้ยงกันได้อย่างไรสองเชื่อฟังคําสั่งส อ, งอนสามประพฤติตัวเหมาะสมดํารงวงตระกูลสี่ทำกิจของท่านห้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศให้แก่ท่านหน้านี้หน้าแล้งข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านเป็นโอกาสที่จะทําบุญทําทานแก่ข้าวให้แก่พ่อแก่แม่แก่พี่แก่ น, อน้องให้ลึกกันมากๆ อย่าไปแจกข้าวให้แต่โทรทัศน์ให้แต่มวยตู้แจกข้าวให้แต่เลขรัฐบาลไปหาคูบาอาจารย์ดังๆังซื้อแต่เลขแต่หวยแจกข้าวชนิดนั้นอ่ะมันเท็จพายวายวอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นให้รีบสร้างคุณงามความดีพ่อแม่ของเราแก่เท่าแล้วนีจิตใจกลับนะ่าจะไปพูดจารุนแรงให้แก่ท่านบางทีนี่พูดไม่น่าโกรธท่านก็โกรธไม่น่าเคียรท่านก็เคียรร้องหม่มร้องไห้เพราะลูกพูดเพียงคำสองคา เขามาเหลีวใจเบาหลงหงายใจดีทอหมักฝ่ายใจหายท่อหมักตูมเรื่องเตือพุ่มพุ่มปล่อยอพลพวงหลานแต่ก่อนไก่หนาเพราะท่านได้ล่างกลุ่มปล่อยตั้งแต่หลานเนี่ยไปถือโทษโกดเกลื่อนท่านแก่มาแล้วใจเบาเขี่ยงหงายเหมือนกับเด็กๆ เ, เราก็ถือว่าบัดนี้เป็นโอกาสดีมันกลับกันแต่ก่อนเราเป็นลูกของท่านบัดนี้ท่านสเสมือนลูกของเราตั้งก่เลี้ยงบางคนเลี้ยงกายนั่นมันก็พอเลี้ยงได้ดอก าหารหวานข่าวดีๆอยู่ที่ไหนเอาไปให้พ่อให้แม่กินบางคนลูกหนีเยอะพ่อแม่จรจัดไปอยู่กับลูกคนโน้นไปอยู่กับลูกคนนี้ปล่อยให้พ่อแม่ไปไปอยู่คนโน้นดีแล้วเราไม่ต้องรับผิดชอบควนที่จะยิ่งกันด้วยซ้ําแม่เอ๋ยพ่อเอ๋ยมาอยู่กับหนูเถอะมาอยู่กับผมเถอดพ่อแม่อย่าไปอยู่ที่โน้นเลยให้ผมได้บูชาได้เลี้ยงดูได้ตอบบุญแทนคุณได้อยู่ใกล้ชิดคุณแม่คุณพ่อเถอะอย่างนี้อันนี้ทําแม่พ่อหนีจากบ้านไปอยู่บ้าน พี่ชายบ้านน้องสาวบ้านพี่สาวคนอื่นเ อ, อสบายใจว่าเขาเปนั้นบางคนยุให้เมียเกียรติช่างพ่อแม่บางคนก็ยุให้พ่อเกียรติช่างพ่อแม่ของตนเองอะไรต่างๆท่านทําไม่ประสบอย่างนั้นนะมันชีพายวายบนเลี้ยงตายของท่านด้วยอาหารหวานข่าวเสื้อผ้าที่โยต์ที่อาศัยงัวออกลูกน้องงวแจ like ็บแคบเลยคือถอดอีเมเด้อวันหนึ่งจะวิ่งเอาไปให้อย่างนี้เดี๋ยวว่าเลี้ยงตาย เลี้ยงใจของท่านด้วยอย่าไปเลี้ยงเพียงกายเลี้ยงกายพอเลี้ยงไว้เลี้ยงใจนี่สิยิ่งลําบากปูจก่จ้าก็โชว์โอ้โหฮ่าใครท่านร้องห่มร้องไห้เสียใจนั่นไม่ได้เลี้ยงใจแล้วยังทําลายน้ําใจจุดไฟเผาจิตเผาใจของท่านให้เราร้อนบาปนะตกนรกเป็นๆ เ, เดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวลูกของเราก็จะเป็นอย่างนี้ บางคนผู้จากระโชคโคกห่างไม่กำเ น, นึงถึงจิตใจของแม่เอาใจแต่เมียเอาใจแต่ผัวในที่สุดแม่ร้องไห้โอ้ยกูอยากตายนี้จากเขาเด้าสันเยแห่งเหลี่ยงปูปลาเสียนตอนเหลี่ยงไงแล้วคุนเถาบะมีอีเ่านี่มันแก่แล้วมันสั้หมาตัวหนึงเขาบุตรบึงได้แย่งอยากตายนี้จากเด้อนี่พ่อแม่ร้องไห้แล้วน้ำตาหลั่งไหลออกมานั้นบาปไหมน่ะเศร้าใจสักขนาดไหน เลี้ยงมาตั้งแต่อยู่ในท้องนู้นตั้งแยังไม่เห็นหน้าถือพาคาท้องออกมาตีนเท่าฝ้าหอยตั้งแต่น้อยขุ้มใหญ่จ้าแต่เล็กจนโตตั้งแต่ยังแดงแดงจนป่านนี้หน้าหนาวหนาวหาผ้าหอ่มอุ่นๆให้ท่านต้ม น, น้ําร้อนไอ้ท่านอาบบ้างแม่เอ๋ยอากาศหนาวหนานี่มันอาบไม่ได้เราอาบน้ําร้อนนะแม่อยจะปล่อยไว้มันร่างกายมันจะได้สะดวกสบายอันนี้ไปอาบน้รน า, น ร, น า, น ร, นานร้อนให้ไก่ตีไก่ชนเข้าไปน่นรักไก่ตีไก่ชนยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่รัก งวยตู้รัโทรทัพท์ยิ่งกว่าพ่อกว่าแม่ไม่ดูแลไม่สนใจอย่างนี้บาปชิปหบหายใบบดจําไว้ให้ดีเท้าเจ้ตัวโรคกระบาลต้องมาหมายหัวจดบัญชีเอาไว้ตายนี้ตรงลรกมีรูกพ่อและแม่ในสำคัญมากนะในเทวทูตสูบปริพนธ์หน้ามัจมณิกรพระเรีดกเล่มที่สิบสี่ข้อที่ห้าร้อยสี่หน้าที่สองว่าแปดสิบห้าเมื่อคนตายเรา น, นรายนิรยมบาลก็จะนําคนนั้นไปหายพระยาดมว่า นี่ท่านผู้เจริญสัตมน้มนุย์นี้ไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพภูบาอาจารย์ไม่เชื่อฟังสมณะผาไม่อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ทำบุญทำทานอะไรเลยปรมมาดอยู่ด้วยกายวาจาใจเพราะฉะนั้นผมจำเป็นจะต้องเอาเขาไปสุนรกนี่เอาพ่อแม่ขึ้นหน้าเลยนะไม่เชื่อไปเปิดลูกเสร็จแล้วพญยายมท่านก่อ ปากหวานสันเหล่านั้นกลัวจะตนกนะลูกร้องไห้เหมือนพันเอกเสนอไปเห็นมาเราไอ้ฟังว่าร้องไห้น้ำตาเป็นตายเลือดมีแต่เสียงกำชับบังคับบัญชาให้ไปตรงนู้นไปต ร, ตรงนี้ลงโ่ษร้องไห้เพไม่ได้ทำบุญเอาไว้แล้วพระยาหยงก็ปลอบใจถ้าเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าพ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มาหาจำเริญเจ้าจะได้รอ้องห่มร้องไห้ไปเลยเป็รับกรรรับเวรเจ้าเป็นมนุษย์นั้นนะ่ะ จะเห็นเทวทูตไหม่ไม่เห็นเจะเห็นคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เห็นแล้วเจ้าคิดอย่างไงว่าตนเองจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเหมือนคนที่เห็นอยู่ดีไหมไม่เคยคิดเพราะมัวประมาทอยู่เมื่อเจ้าไม่เคยคิดเจ้าจึงไม่เลี้ยงพ่อไม่เลี้ยงแม่ไม่เคารพครูบาอาจารย์ไม่บูชาสมณพาหมไม่ทําบุญตากบาศไม่ฟังธรรมจาศีลประพฤติชั่วโดยกายวาจาใจโอ้พ่อเอ๋ยพ่อมหาจำเริญแม่เอ๋ยแม่มหาจำเริญเจ้ามัวประมาทอยู่ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ นโนไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่สมณาภาพมไม่ใช่เท ว, วดาฟ้าดินจะเอาเจ้าลงสูน่นรกคางแต่เป็นกรรมชั่วดีเกตทำเองเจ้าทำเองไปเถิดเราช่วยไม่ได้วันแล้วก็ไปลงนรกเลย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 เอาเธอเราจะรีบทำคุณญงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายไปเลยรีบสร้างคุณญงามความดีวันนี้ไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่ครูบาอาจารย์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินยมพบาลไหนจะเอาเจ้าขึ้นสวรรค์ฮะแต่เป็นกรรมดีที่เจ้าทํานั้นแหละจะนําเจ้าขึ้นสวรรค์ไปเถิดเอาแก่ไปสู่สวรรค์ไปบันเทิงสุขติงโลกังอุปจติไปเกิดในโลกสวรรค์ในสุขติเถิดเนี่ ขึ้นต้นจะต้องพูดถึงเรื่องพ่อแม่ฮูบาอาจารย์ตลอดเลยพวกเรามีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นอย่ามองข้ามพ่อแม่เป็นไดโนเสาร์เต่าล้านปีเอาโอาเอาใจเลี้ยงกายท่านแล้วก็เลี้ยงไก่ท่านจะให้ดียิ่งกว่านั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านตายไปแล้วทําบุญเอาเทให้แก่ท่านยิ่งไปกว่านั้นท่านทําให้เราเกิดได้เราก็สามารถทําให้ท่านเกิดได้ อย่างสมมติว่าพ่อแม่เป็นคนชั่วกินเหล้าเมายาเล่นไพ่เล่นไฮโลซื้อแต่เลขแต่หวยเราศึกษาคุณทําประพฤติทาดีๆช่วยสอนพ่อสอนแม่ให้กลับเนื้อกับตัวกลับหางกลับหัวกับชั่วเป็นดีจังนี้ก็เรียกว่าปิดประตูอบายไม่ให้พ่อแม่ตกนรกเหมือนเชิญขึ้นไปไว้บนสวรรค์คุณและบุตรกุ ล, ลนาลีได้เอาพ่อแม่มานั่งบาสสองขางให้ชีราดเยี่ยวรถทุกวันให้กินข้าววันละสาเวลาอาบน้าวันละสามเวลานวดเส้นถือว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างยิ่งแต่ก็ยังไม่สะสม คละบทใดกุลนาเีใดสามารถทำพ่อทำแม่ที่ไม่มีศีลให้มีศีลไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธากุลบุตรกุลนาลนีนเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ก็ไปตั้งไว้บนสวรรค์ เป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมากทำยังไงพ่อแม่จะมีศรัทธาในประพุทธประธรรมประสงค์ทำยังไงพ่อแม่จะมีศีลแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่เคยมีมันจะช่วยได้อย่างไรเวลาคนตายแทนที่จะไปโป่งอนิจังสังเวชไดดูเทวทูตว่าเราจะตายอย่างนี้ได้ยินเสียงตุลณีกันแสงเน่งๆน่งเน่เน่งถือถ้วยห้โลเป็ลด ต้องการให้ตายวันละสามคนวันละสิบคนเล่นไฮโลทั้งปีทั้งชาติตายไปนคนหนึ่งก็เล่นไฮโลก็ไปสามวงสี่วงตำรวจก็ไม่จับไปให้ผีหัวเราะไม่ได้ไปให้เกียรติไปเย่อยไปยันคนตายแทๆ้ๆแล้วสถานะจนีเมืองไทยจึงชิบหายวายวอดกันหมดแล้วน่าจะต้องมาคำนึงคำนวณกันถึงศิลทถึงธรรมกันให้มากๆขึ้นพ่อแม่กำลังเดียวดายเดี๋ยวนี้จนเมืองไทยได้เกิดมีวันแม่วันพ่อกันมาซึ่งมันไม่เคยมี นี่จ่เมืองฝาหลังเขาปล่อยพ่อแม่ไว้ตามกรรมตามเบญจนรัฐบาลต้องจับไม่ขมคนแก่เอาพ่อเอาแม่ไปไว้อานั้นลูกก็ไม่เคยไปเยี่ยมทั้งปีทั้งชาติพ่อแม่ต้องไปอ้อนวอนรัฐบาลให้หยุดงานให้ลูกอะไเกิดวันแม่วันพ่อขึ้นมาให้ไปเยี่ยมป่านนั้นมันก็ไม่ไปอยืแนแรมก็ไปกินเหล้ากินเบียร์พวกเราเดีนี้ก็มีวันแม่นะใครมันกาลังจะปล่อยพ่อแม่เดียวได้มันต้องมีทุกวันพ่อแม่ไม่เคยบอกว่าวันลูกไม่เคยว่าเลี้ยงลูกตลอดปีตลอดชาติ เดี๋ยวนี้หน้าร้อนมาถึงแล้วเอาพัดลมเอาน้ำเย็นๆไปให้พ่อแม่อาบจะดีไหมเสื้อผ้าดีๆเอ้ยอาบให้ใครในแม่เอ้ยนุ่งให้ใครเน่พ่อเอ้ยเย็นบอพ่อเย็นบอแม่อาบได้ไหมล่ะอาบให้พ่อให้แม่ พอแม่อาบน้ำให้เราเป็นหมื่นๆครั้งป้อนข้าวใหเราเป็นสิ้นแสนคำอาหารดีๆป้อนเป็นเบิร์ได้ป้อโอยกินใหไดนไหมแสบพ่อแม่พอเราใหออกมาเพราะความดีใจพ่อแม่กินคำเดียวก็อิ่มดอกอิ่มอยู่ในใจพวกวยลูกนี่ดีแท้ๆลูกเต้าสมัครสมานสามคีกันคานตามกันมาตัดหัวยันเหยียบโหัวยันตีเงินออกมาแม่ทะเลาะบาะแว้นกันพ่อแม่อิ่มเข้าในอกในใจไม่ได้กินก็อิ่มแต่ลูกเต่าเฮ่เฮ่เ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เะ่เฮ่เฮ่เฮ่เ่ หน้ากันไม่เจ๊ดเลยลูกเอ้หมากำแนวกันยังเลี่ยงใสกันเถื่อกันได้ตาใส่ปันกันมาเหยียบหัวยันตีนข้านตามกันมาสังบดเถื่อกันน่าลูกนาะเผาเจ็บเผาใจพ่อแม่ลูกเต่าทะเลาะกันไม่ถูกกันไปเห็นลูกคนอื่นดีลูกคนอื่นงามพ่อแม่หิวอยู่ในใจโอ้ยลูกเอ้ยสั่งบดีคือลูกคนน้นสั่งบมีตับมีดีแนวกันได้ดีๆแสบๆง่ามๆพ่อแม่หาไม่ให้เลี้ยง เรื่องไงแล้วสัมภาษบอดีคือเพลินนาะพ่อแม่เป็นเปรตเพราะลูกเปตแต่บวชยูยูคุณงามความดีของลูกเห็นลูกคนอื่นดีอยากให้ลูกตนเองดีหิวอยู่ในใจถ้าเห็นลูกของตนเองชั่วพ่อแม่ก็ตกนานโลกตีหัวม้าด่าชาวบ้านผิดบ้านผ่านเมืองต้องเข่าโคเข้าตารางพ่อแม่เสียเงินเสียทองไปไถ่ไปทอนขายไรขายนาอย่างนี้ เรียกว่าปุตตะนิระยโยตกนาลกพอลูปในวันพระเจ้านี้ใครเป็นลูกเป็นเต้าก็ช่วยฟังให้ดีๆและลึกถึงบุญคุณพ่อแม่เป็นโอกาสดีแล้วมีพระ อ, อรหันต์มีพระพมอยู่ในบ้านเราพรมมติมาตรังปิตโรอรหันต์ได้มาตรังปิตโรพ่อแม่เป็นพมของบุตรพ่อแม่เป็นอรหันต์ของลูก พออระอรหันต์เหมือนแผ่นดินใครจะกระทืบจะเหยียบหัวพระอรหันต์ออไม่โกรธในโลกนี้ไม่มีใครยอมให้เราเหยียบได้แต่พ่อแม่ให้เราขี่ลาดเยี่ยวรถเหยียบท่านตีปาท่านขี่หัวท่านตัน้งแต่างเด็กๆท่านไม่โกรธหนีแต่รักเราเมือนพออระอรหันต์ของลกูกท่านเป็นผม ลูกเต่ามังมีศีสุกเป็นเศษธีมหาเศษธีพ่อไม่เคยอิจฉาแม่ไม่เคยตาโรนแม่มีมุขทิตาต่อลูกพ่อยินดียามตกทุกเดียร์แม่พ่อไม่เคยเหยียดยามนี้แต่ไม่ตาอยากจะช่วยลูกกาลูนาสงสารลูกเด๋ออุเบขาลูกขี่ลาเยียวรถตีหัวตบปากตอนเด็กๆพ่อแม่อุเบขารักลูกอย่างนั้นอย่างนี่จะเป็นผมทของลูกเป็นพ่อละหันของลูกคนอื่นไปทําเขาได้ไหมน่ะ ไปขี่ลาเยียยรถเขาได้ไหมไปขี่หัวตบหัวตีปลาท่านได้เหมือนกับเราถับตอนเด็กๆทากับพ่อกับแม่ไม่ตายเขาูเข้าตารางอันนี้พ่อแี่ยอมได้ท่านเป็นพรมเป็นพระอรหันต์ของลูกแล้วจะไปหาเทวดาหาพระอรหันต์ที่ไหนเดี๋ยวนี้ต้องไปหาพระ อ, อรหันต์อยู่ภูนั้นอยู่ถ้านี่เมาลดกันไปไกลๆไปขอเลขกับพระ อ, อรหันต์ขี่ยาขี่มากเหล่านั้นไอย้ยางนั้นไม่ใช่พระ อ, อรหันต์นั่นมันอรรถมุน หมุนหน่มีเงินมีทองหมุนหนมีเช็คมีดาบมีรถเกง๋งมีวัดใหญ่ๆโตๆออลหันแท้ๆอยู่ที่บ้านนีไ่ไงผมเท้ยอยู่ที่บ้านนี้ทำไมต้องไปหาพระอลหมุนเหล่านั้นเล้วทำคนงามความดีบูชาคณงามความดีพ่อแม่ของเราท่านเล่นออกมาเลยนค่ะตอท่านสอเราอย่างไรเราทำอย่างนั้น พ่อแม่ไม่เคยสอนลูเลยไปหากินเหล้าไปหาดมกาวนั้นลูกนะพ่อแม่ปาฏนาอย่างนั้นไปตีบ้านทานเมืองนะลูกนะมีไหมไม่มีนี่เป็นการดูถูกเหยียดย่ำทาสั่งสอนของพ่อของแม่เอกด้วยเพราะฉะนั้นในวันพระเช่นนี้ให้ละลึกกันให้มากๆาซักฟอกจิตใจให้สะอาดถ้าหากเราทําชั่วเคยพูดจากระโชคโค้งหาพ่อแม่น้ําตาหลังตาไหลไปเถิดวันพระนี้ เอาดอกไม้ทูบเทียนไปกราบลงงามๆในปักในเท้าของแม่ของพ่อพ่อเอ้ยแม่เอ้ยคอยได้พิษได้ตองจเจ้าแล้วคอยบ่งจะเก็บจะกแินตาบอดหูหนวกไปกี่จะถือโทษโกรธเคืองอย่าให้ลูกเป็นบาปเป็นกรรมนะพ่อน้าแม่นะพ่อแม่ดีใจน้ำตาไหลลูกก็นน้ำตาหลังเออเจ้าหลงไปแล้วพ่อแม่ไม่ว่าอะไรหรอกลูกเอ้ยบาปกรรมก็เป็นอ่ะโหสิกรรมอยู่ตรงนี้สิ้นสุดกันมิฉะนั้นมันจะเป็นอุปตระอะกกัมจะ บ, บีบจะขันจิตใจต่อไปเรา มีมลูกมีเต้าเราทํากับพ่อกับแม่ย่างไรเราจะเป็นเช่นั้นลูกเต้าของเราก็จะํากับเราเช่นนั้นท่านยายคิดว่ากรรมนี้บาปนี้มันมีไม่ได้นะมันมีบาปก็มีบุญก็มีนะโลกก็มีสวรรค์ก็มีชาตินี้ชาติหน้ามันมีด้วยกัน้งนั้นวันนี้ยังมีครุงนี้ยังมีมาวันนี้ยังมีทําไมชาตินี้ชาติหน้จาจะมีไม่ได้เล่าเพราะฉะนั้นถ้าหากมันไม่มีจริงๆก็ต้งสร้างคุณงามความดีไว้ชีวิตนี้วันนี้วินาทีนี้ เป็นคนดีมีความสบายใจพรุ่งนี้มะรืนนี้ปีหน้าชาแนามันก็เหมือนกันนั้นจงสร้างบรรยากาศแห่งปัจจุบันการให้เป็นบรรยากาศที่งดงามด้วยคุณงามความดีกลับมาเถิดเยาวชนกลับมาเถิดเพื่อนร่วมพุทธศาสนากลับสู่มัคคุิทศกแห่งสิ้นแห่งธรรมมิฉะนั้นบ้านนี้เมือง น, นี้จะเจ็บหายวายวอดจะอยู่กันไม่ได้แม้แต่ลูกยังไม่เคารพไม่เชื่อฟังพ่อแม่ จะต่อส้าอะไรกับคนอื่นที่ไกลห่างกว่านี้บุญคนหมายเลขหนึ่งคนงามความดีหมายเลขหนึ่งคือคนงามความดีที่จะต้องพึ่งกระทํากับพ่อกับแม่รอมาคือครูบาอาจารย์ส้งส่งกันมาคือสมณะพามสมณะพมณามที่มีสินมีธรรมที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติเพื่ออูกเกาเผาลนออกจากกิเลสตัณหานั่นจึงสมควรจึงจะควรที่จะไปกราบไปไหว้ไปศึกษาไปฟังท่านพูบ้าง ไม่ใช่ไปหาแต่พระอลาหมุนอยู่ท่านั่นอยู่เขานี้ฝันอียงเนอะก็ไหนให้แต่เพื่อนฝันเพื่อนฝันแล้วตัวพันมาฝันตื่นยนีกังเวนคนโบราณบอว่าจะไปกินน้ำผีจะไปกินน้ำฝันมันขลังเดี๋ยวนี่ไปหากินน้ำฝันไปถานพระให้ดันฝันบางทีบอฝันก็เฝ้าได้อยากสันยานแต่เขาโบราณนั่นมาสิคนฝันมันสิบอย่างเดี๋ยวนี้โยมยังทันเกมยังไม่ทันเกมผ้าดอกผ้าบางองค์ท่านเก่งกว่านั้นพูนแล้วก็การทบการเทือนกัน มีแต่เรื่องที่จะเอากันทั้งนั้นเขาให้ฟังกันไว้ให้ดีๆเราจะไปกินกบฝันฟังภาพฝันแล้วก็มาฝันต่อซื้อ ว, ว, วันนั้นวันนี้มันนั่งฝันกลางวันเนี่เป็นอย่างนี้จต้องชึติดด้วยการเวลาที่มันมีเพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจนบางเกิดมีแก่ยากจโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถอ